บทที่28น้ำมันหมดนายสมชายพาท่านพระครูมาถึงวัดป่ามะม่วงตอนพลบคำ่ำมีรถจอดอยู่ที่ลานจอดรถหลายคันทั้งรถกระบะรถตู้รถเกง๋งและรถมอเตอร์ไซค์ แสดงว่าคนมาหานั้นจะต้องมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือว่ารีบด่วนชนิดที่รอให้ถึงวันพระไม่ไหวจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางอยากจะพักผ่อนส่งน้ำสงท่าแต่สงสารคนที่รอจึงจำต้องเดินไปนั่งยังอาสนะหลวงพ่อสงน้ำก่อนไม่ดีหรือครับนายสมชายพูดอย่างเป็นห่วง ตัวเขาเองก็เหนื่อยล้าจนเหลือเช่เอ่ยไม่เป็นไรรู้สึกว่าญาติโยมเขารอกันนานเกรงใจเขาแทนที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายเกรงใจท่านท่านกลับเกรงใจเขาและยอมทนทุกข์เพื่อความสุขของผู้อื่นในโลกนี้จะมีบุคคลที่เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นท่านสกิร์คนมีใครบ้างที่ยอมทนทุกข์เพื่อความสุขของผู้อื่น โยงกินข้าวกันหรือยังเป็นคำถามแรกที่ท่านถามเรื่องปากเรื่องท้องย่อมมาเป็นอันดับแรกสำหรับบุคคลที่ยังเป็นผู้พรองเรือนเรียบร้อยแล้วครับบุรุษและสตรีที่นั่งอยู่ในกุฏิตอบพร้อมกันข้างหน้าของแต่ละคนจะมีแก้วน้ำใสน้ำชาวางอยู่ท่านนึกสงสัยว่าใครหนอเป็นผู้บริการ เนื่องจากนายสมชายก็ไปกับท่านจึงถามใครเขาเอาน้ำชามาเสิร์ฟล่ะเพราะรู้ว่าพวกแม่ครัวคงไม่ตามมาบริการน้ำถึงกุฏิลูกศิษย์หลวงพ่อที่เขาอยู่กุฏินี่ละครับคนสูงสงผอมๆเมื่อตะ ก, กี้นี้ก็ยังจัดคิวให้ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนเสีแล้วคนพูดมองหน้ามองหลังเพื่อค้นหา คนที่มาบริการน้ำท่านพระครูต้องการคําตอบจึงต้องพึ่งเห็นหนอก็รู้ว่าบุรุษที่มากับก้อนหินนั่นเองที่มารับแขกท่านไม่รู้สึกแปลกใจในความมีน้ำใจของเขาเพราะเรื่องเช่นนี้เคยปรากฏมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาครั้งนั้นมีข้าราชการหญิงจากสำนักงบประมาณมาตรวจงานที่จังหวัดแล้วก็พากันมาค้างที่วัดป่ามะม่วง บังเอิญเป็นวันที่เขานิมนต์ท่านไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพพวกแม่ครัวก็พากันไปดูลิเกกันหมดจึงไม่มีใครอยู่ต้อนรับแขกแม่กาหลงจึงต้องมาทำหน้าที่บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็ยังพาเข้าพักเสร็จแล้วก็ยังพาเข้าที่พักผ่อนหลับนอนเป็นที่เรียบร้อยรุ่งเช้า ท่านจึงทราบเรื่องว่ามีข้าราชการมาพักที่วัดก็ได้ถามได้วความเป็นห่วงว่ากินอยู่กันอย่างไรเพราะคนที่คอยบริการพาไปดูลิเกหมดข้าราชการหญิงคณะนั้นก็ตอบว่าลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นผู้หญิงสวยๆผมยาวๆมาต้อนรับทำอาหารอย่างอร่อยมาให้รับประทานมียำใหญ่กับแกงมัสมันแล้วยังตบท้ายด้วยกาแฟร้อนคนละถ้วย จากนั้นก็พาไปส่งยังกุฏิที่พักท่านพระครูจัดการเรียกบรรดาแม่ครัวมาหมดวัดเพื่อให้เขาชี้ตัวว่าคนไหนเขาก็บอกไม่ใช่คนมีอายุเพราะคนนั้นเขายังสาวและสวยพวกแม่ครัวจึงพูดขึ้นว่าสงสัยคงเป็นแม่กาหลงเขาก็ถามท่านว่าแม่กาหลงเป็นใคร ท่านจึงจำต้องเล่าเรื่องแม่กาหลงให้พวกเขาฟังเขาก็เลยพากันอำลาท่านไปพักที่โรงแรมในเมืองได้เกรงว่าจะต้องพบกับแม่กาหลงอีกผู้ที่มาถึงคนแรกคลานเข้าไปใกล้ท่านกราบสามครั้งแล้วรายงานว่าหลวงพ่อครับผมนำอาหารมาเข้าโรงครัวมีข้าวสารกระสอบหนึ่งแล้วก็พวกปลาแห้งปลาเคม็มพริกหอมกระเทียม หลวงพ่อช่วยกรวดน้ำไปให้น้องเมียผมด้วยเขามาเข้าฝันบอกว่าอดอยากมากให้เอาของมาบริจาคที่โรงครัววัดป่ามะม่วงแล้วก็บอกให้หลวงพ่อกรวดน้ำไปให้เขาด้วยเขาไม่เคยเข้าวัดแต่ทำไมรู้จักหลวงพ่อก็ไม่ทราบคนเป็นพี่เขยสงการเขาบอกมาตั้งแต่เมื่อไรละ่ะท่านพระครูถาม หลายคืนแล้วครับผมกับภรรยาก็ลืมอยู่เรื่อยเข้ามาบอกสามครั้งแล้วเขาตายนานหรือยังและเป็นอะไรตายตายมาสักส0ปีเห็นจะได้เป็นไข้าตายครับอายุเท่าไรตอนที่ตายนะ่ะ23สามครับเพิ่งเรียนจบแล้วก็ทำงานได้ปีเดียวทำไมเ็าจึงอายุสั้นล่ะครับ หลวงพ่อผมแปลกใจว่าชีวิตเขาดีมาตลอดแต่ถ้ามาอยู่ๆก็มาตายเขาเป็นน้องคนเล็กของภรรยาผมเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกเพราะสงสารที่เป็นกาพร้าพ่อแม่แล้วตอนนั้นผมกับภรรยาก็ยังไม่มีลูกเขาเรียนเก่งมากครับได้ที่หนึ่งของจังหวัดตอนจบมศ ส, สามแล้วก็ไปสอบเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมจบจากโรงเรียนเตรียม เขาก็สอบเข้าเรียนต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุลาตอนจบก็ได้เกียรนิยมอันดับสองแล้วก็เข้าทำงานที่กรงวิทยาศาสตร์มาปีที่แล้วเขาเป็นไข้ก็ไขวัดธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหลวงพ่อไม่น่าตายเลยคนทำหน้าที่เป็นทั้งบิดาและพี่เขยของผู้ตายบอกกล่าว แล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงนิสัยดีครับว่านอนสอนง่ายถ้าจะเสียก็เห็นมีอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่ชอบทำบุญไม่เคยทำบุญไม่เคยเข้าวัดแต่ตอนตายไปแล้วทำไมถึงรู้จักวัดป่ามะม่วงและก็รู้จักหลวงพ่อด้วยผมสงสัยจริงๆนะครับโยมีรูปถ่ายของเขาไหมหน้าตาเขาเป็นยังไง มีครับพอดีภรยาผมเขาบอกให้เอารูปถ่ายติดมาด้วยนี่ครับพูดพลางก็ส่งรูปถ่ายขนาดสามนิ้วให้ท่านพระครูท่านรับมาพิจารณาแล้วกำหนดเห็นหนาก็เห็นกฎแห่งกรรมของผู้ตายอย่างชัดเจนจึงพูดขึ้นว่าน้ำมันหมดนะโยมหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อบุรุษนั้นไม่เข้าใจ หมายความว่ากรรมดีที่เขาสะสมมามันหมดลงการที่เขาดีมาตลอดก็เป็นเพราะทำกรรมดีมาแต่ในชาตินี้เขาหยุดทำไม่ทำบุญไหาทานก็เรียกว่าไม่เติมน้ำมันเลยน้ำมันที่เป็นของเก่ามันก็หมดพอไปอดไปอยากเข้าถึงได้ระลึกรู้ถึงกรรมที่ตนทาก็เลยเร่ร่อนมาถึงวัดป่ามะม่วง เอาเธอแล้วอาตมาจะจัดการให้ท่านถือโอกาสสอนผู้ที่นั่งอยู่หน้าที่นั้นด้วยว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบบาปบุญนั้นมีจริงจิตวิญญาณมีจริงและสังสารวัตก็มีจริงจงดูตัวอย่างแม่หนูคนนี้เอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะฉลาดเรียนหนังสือเก่ง แต่ก็เป็นความฉลาดทางโลกเท่านั้นซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้เฉพาะตอนมีชีวิตอยู่แต่พอตายวิชาความรู้ทางโลกมันก็ช่วยเราไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีชีวิตที่ดีในภพหน้าก็ต้องสร้างคุณความดีเข้าไว้บุญกุศลเท่านั้นที่จะสามารถติดตามเราไปในภพหน้าได้ส่วนสมบัติพัฒสถานเอาไปไม่ได้ ผมเห็นจะต้องลากลับแล้วครับหลวงพ่อมาตั้งแต่เช้าคิดว่าจะไม่พบหลวงพ่อแล้วบุรุษวัยสี่สิบเศษทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปรายที่สองกำลังคลานเข้ามาแทนที่ชายวัยห้าสิบเศษก็กระหืดกระหอบเข้ามาในกุฏิพูดละล่ำและลักว่าหลวงพ่อช่วยลวยแม่อ้วะแม่อ้วะ เท่าแกคิวอว้วอย่ารักคิวสิเจ้าทุกรายที่สองซึ่งเป็นสตรีร่างขาวท้วงขัดจังหวะขึ้นขอโทกขอโทษ่วยแม่อว้วแม่อ้วกํำลังซี่เลี่ยวหลวงพ่อช่วยอีนหน่อยประโยคหลังเขาพูดกับท่านพระครูท่าทางดูร้อนรนน่าสงสารและน่าสมเพช ร, ระคนกัน จะให้อัตมาช่วยอะไรได้ล่ะเท่าแก่อัตมาไม่ใช่มดไม่ใช่หมอสักหน่อยท่านออกตัวไล่ไล่หลวงพ่อต้องช่วยไลย่ถึงไม่เป็นหมอก็ช่วยไล่หลวงพ่อช่วยลวยอย้าให้อีตายก็แล้วกังอ้วจะทังบุงกะหลวงพ่อสองเมึองเขาให้สินบนด้วยความเคยชิน หลายคนในที่นั้นแสดงอาการไม่พอใจชายผู้นี้มาลัดคิวคนอื่นแล้วก็ยังแสดงอาการดูถูกท่านเจ้าของกุฏิอีกด้วยแม้ถ้าอาตมาช่วยได้คนก็ไม่ต้องตายกันนะซีแล้วอาตมาก็คงรวยไม่รู้เรื่องเชียละแล้วท่านจึงพูดให้เขาเข้าใจใช่ไหมว่าอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกเท่าแก ฉะนั้นอาตมาจึงห้ามความตายไม่ได้ถ้าจะช่วยได้ก็คงช่วยบอกทางให้คนตายไปดีช่วยได้แค่นี้เองนะเท่าแกท่านไม่ได้พูดต่ออีกว่าหากบอกแล้วเขาไม่เดินไปตามทางที่ท่านบอกก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ยังงั้นหลวงพ่อช่วยไปบอกทางให้อีก็ไล่ไปเหลียวนี้เลยอ้วเอาลกมาลับเลี่ยว ยังไปไม่ได้รอกเท่าแก่ลึกกลับไปก่อนเธอพรุ่งนี้อาตมาถึงจะไปเห็นลือเปล่าแขกเต็มกุฏิเลยถ้าอีซี่ไปก่องล่ะหลวงพ่อใครจะบอกทางให้อีกธนาอียังไม่ซีหรอกอีรอให้อาตมาไปบอกทางก่อนรับรองถ้าอีซี่อาตมาให้ลืบปรับ ยกวัดในทั้งวัดเลยเอา้าวท่านพูดอย่างอารมณ์ดีเท่าแก่ฟังแล้วก็ใจชื่นขึ้นเมื่อท่านบอกว่ามารดา ย, ยังไม่ตายก็ต้องเชื่อท่านตั้งแต่มอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก็ยังไม่เห็นท่านพูดผิดไปจากความจริงแม้สักครั้งเท่าแก่วัยห้าสิบเศษจึงกราบประลกปรลกแล้วก็ลุกออกไปไม่ลืมที่จะก่าวขอบคุณ สตรีร่างขาวท้วมที่ให้ลัดคิวหลวงพ่อคะลูกสาวสั้นจะขึ้นบ้านใหม่วันที่24นิมนต์หลวงพ่อไปทำพิธีด้วยนะคะเจมว่ยารงานหล่อนมาวาัดบ่อยจึงคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดี อาตมาไปไม่ได้หรอกโยมวันที่ยี่สิบสี่ตรงกับวันพระเป็นวันที่อาตมาไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกต้องอยู่รับญาติโยมเขาถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยแนะนำฉันด้วยว่าควรจะให้ใครมาเป็นคนทำพิธีและช่วยดูวันด้วยว่าเป็นวันดีหรือเปล่าเป็นชาวพุท ธ, ธแท้ต้องไม่ถือเลิกถือยามนะโยมถ้าเราจะทาความดี ทำวันไหนมันก็ดีทั้งนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าจะทำความชั่วทำวันไหนมันก็ชั่วอยู่วันยังคําเอาเถอะถ้าตัดความคิดเรื่องเลิกยามออกไปไม่ได้อัตมาก็ขอแนะนำให้ถือวันพฤหัสว่าเป็นวันเริกดีอันนี้ก็เป็นทัศนะส่วนตัวของอัตมานะอัตมาถือวันพฤหัสว่าเป็นวันดี เพราะเป็นวันพ่อวันแม่ของเราวันพฤหัสเขาถือว่าเป็นวันครูไม่ใช่หรอคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งแย้งขึ้นเวลาที่เขาทำพิธีไหว้ครูเขายังทำกันในวันพฤหัสก็พ่อแม่เราไม่เฉ่ครูหรื อ, อยังไงเป็นครูคนแรกของเราเชียวนาะที่เรียกว่าเป็นบุรพาจารย์ของบุตรบูรพาจารย์ก็คือพ่อแม่เรานี่เอง ท่านหันไปพูดกับเจมุวยว่าโยมมุวยจำไมนะ่นาถ้าจะถือวันให้ถือวันพฤหัสเป็นวันดีไม่ต้องไปเชื่อตามหมอดูว่าเป็นวันโลกาวิาัตหรือว่าวันทงชัยอะไรถ้าเรานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องถือว่าวันพฤหัสเป็นวันมงคลเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจค่ะหลวงพ่อ งั้นชั้นจะให้เขาเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสก็ต้องเลื่อนออกไปอีกสามวันหลวงพ่อไปได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวขออาตมาตรวจดูสมุดบันทึกก่อนท่านหยิบสมุดบันทึกออกมาจากย่ามแล้วก็เปิดดูไม่ได้เสแล้วละโยมวันพฤหัสหน้าในพลกับคุณหญิงเขาจะพาหลานมาบวชเนที่วัดนี้ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องให้อัตมาไปก็ได้ประเดี๋ยวจะบอกวิธีปฏิบัติให้ว่าจะต้องทาอะไรบ้างงั้นหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่าจะนิมนต์พระรูปไหนไปแทนเพื่อทำพิธีเจิมประตูบ้านไม่ต้องให้พระนอกบ้านเจิมหรอกโยมให้พระในบ้านเจิมเป็นดีที่สุดรู้จักไหมละ่ะพระในบ้านนะ่ะไม่รู้จักค่ะหลวงพ่อคงไม่ได้หมายถึง พระพุทธรูปนะคะไม่ใช่พระพุทธรูปสิพระที่มีชีวิตจิตใจที่เป็นคนนี่แหละไม่มีค่ะบ้านลูกสาวฉันไม่มีพระมีสิทำไมจะไม่มีก็โยมนั่นแหละเป็นพระของเขาโยมก็เจิมได้หรือไม่ก็ให้เตียเขาเป็นคนเจิม พ่อแม่เป็นมงคลอันสูงสุดของลูกนโยมเห็นจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะหลวงพ่อเพราะเตีย่ยเขาตายไปนานแล้วและฉันก็เจอไม่เป็นจะยากอะไรเล่าก็เอานิ้วจิมแปงแล้วก็จิมจิมไปที่ประตูจิมทรงเดชไปปาก็พูดด้วยว่ารวยรวยหรือจะว่าเป็นภาษาจีนก็ได้ว่า เซงลี่ฮ้อเซ็งลี่ฮ้อท่านใช้นิ้วจิ้มไปที่อากาศเป็นการสาธิตให้ดูปากก็ว่ารวยรวยเซงลี่ฮ้อเซ็งลี่ฮ้อทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะด้วยคำในกริยาอาการของท่านสาธิตเสร็จก็บอกเจม้วยว่าง่ายจะตายไปทำได้ไหมละ่ะ เดี๋ยวอาตมาจะให้แป้งไปเจิมด้วยเสกไว้แล้วแม้ท่านจะไม่นิยมการเสกเป่าแต่กลับคนระดับนี้ก็จำเป็นต้องใช้เพราะมันมีผลทางด้านจิตใจทำได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวเขาจะยอมให้ทำหรือเปล่าเจ้มุวยยังกังวลต้องได้สิบอกว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงสั่งมา ถ้าอยากรวยก็ต้องให้แม่เป็นคนเจิมขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะถ้างั้นฉันขอแป้งไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่ออีกท่านพระครูจึงเรียกนายสมชายซึ่งขณะนั้นอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปหยิบแป้งมาให้รายที่สามเป็นข้าบดีมาจากกรุงเทพมากันทั้งสามีและภรรยา ฝ่ายสามีใส่นาฬิกาเรือนทองฝังเพชรที่นิ้วก็มีแหวนเพชรเม็ดโตส่งประกายวูบวาบที่คอเป็นสร้อยคอทองคำหนักหลายบาทข้างฝ่ายภรรยาก็ใส่เพชรทองเต็มตัวสวมแหวนเพชรพลอยเกือบทุกนิ้วหลวงพ่อครับผมขออนุญาตคุยเรื่องส่วนตัวเป็นความลับครับขออนุญาตไปคุยข้างบนได้ไหมครับฝ่ายสามีขออนุญาต จะเอาอย่างนั้นหรืองั้นคนอื่นๆก็รอก่อนนะคงใช้เวลาไม่มากใช่ไหมท่านถามขาหะบอดีคงสักสิบนาทีครับหลวงพ่อท่านลุกขึ้นเดินนำบุคคลทั้งสองไปยังกุฏิชั้นบนปิดประตูลงกรอนแล้วจึงอนุญาตให้เขาพูดทุระหลวงพ่อครับลูกชายคนโตผมที่ส่งไปเรียนอเมริกา เขาไปติดยาเสพติดที่โน่นผมจะทำยังไงดีจะเอามาบวชอยู่กับหลวงพ่อให้เรียนฝึกสมาธิจะได้หายติดยาหลวงพ่ออนุญาตไหมครับคงไม่ได้หรอกโยมการฝึกสมาธิมีประโยชน์มากก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเรียนการฝึกสมาธิได้เสมอไปเพราะมันขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีของแต่ละคน เท่าที่อาตมาได้วิจัยไว้มีบุคคลสองประเภทที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้คือคนที่เป็นโรคประสาทกับคนที่ติดยาเสพติดหมายความว่าหลวงพ่อไม่ช่วยลูกดิฉันเลยเหรอคะได้โปรดกรุณาเถอคะ่ะเรามีเงินทองมากมายถ้าหลวงพ่อช่วยได้จะให้เราสร้างอะไรให้กับวัดนี้เราจะทาทุกอย่าง ขออย่างเดียวให้หลวงพ่อช่วยลูกเราด้วยภรรยาขาหาหบดีพูดเสียงเครือแม้จะตกแต่งร่างกายไว้อย่างสวยงามด้วยเสื้อผ้าอ่อนราคาแพงหากดวงหน้าของหล่อนก็เศร้าหมองเพราะความทุกข์ทุกข์ของคนที่เป็นแม่ซึ่งย่อมร้อนรนกระวนกระวายเมื่อรู้ว่าลูกต้องประสบภัยอันใหญ่หลวง ความทุกข์ที่เงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจช่วยขจัดปัดเป่าได้โยมอย่าตีความผิดสิโยมไม่ใช่อัตมาไม่ช่วยอัตมาอยากจะช่วยโยมทุกอย่างแต่เรื่องของยาเสพติดอัตมาไม่สามารถช่วยได้ เคยมีพ่อแม่พาลูกมาให้อัตมารักษาอัตมาก็บอกเข้าไปตามตรงว่าคนที่ติดยาเสพติดนั้นจะฝึกสมาธิถึงขั้นไหนก็ไม่อาจทําให้เลิกยาได้จะว่าถึงขั้นไหนก็ไม่ถูกนะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ถึงสักขั้นเดียวเพราะจิตเขาสั่สายมากไม่อาจจะนิ่งเป็นสมาธิได้เลย ท่านอธิบายและผมจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อนี่ก็พาไปรักษาหมดเงินหมดทองไปเป็นล้านล้านพอออกจากโรงพยาบาลเขาก็ไปเสพอีกอาตมาว่าต้องตัดใจนะนื่อื้อว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาถ้าป่วยไข้ธรรมดาธรรมดาหมออาจรักษา ห, หายได้แต่ถ้าเป็นโรคเวรโรคกรรม ไม่มีหมอที่ไหนช่วยได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาให้โยมทั้งสองพยายามวางใจให้เป็นอุเบกขาเธอจะได้คลายความทุกข์ร้อนลงบ้างท่านพยายามปลอบใจหลวงพ่อครับลูกชายผมทำกรรมอะไรมาทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้หลวงพ่อกรุณาตรวจสอบให้ด้วยเถอะครับเพื่อผมกับภรรยาจะได้ทำใจได้ ปกติอาตมาไม่ตรวจสอบเหตุใครหรอกนะเพราะอยากให้เจ้าตัวเข้าปฏิบัติเองจะได้รู้เองเห็นเองแต่ในเมื่อโยมขอร้องอาตมาก็จะตรวจสอบให้ท่านใช้เห็นหนอตรวจสอบก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของคนในครอบครัว น, นี้อย่างครบถ้วน การที่บุตรชายของขหาหบดีผู้นี้ติดยาเสพติดเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรขหาหบดีที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านสร้างความร่ารวยขึ้นมาด้วยการค้ายาเสพติดเขาเป็นสายส่งจากประเทศไทยไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วบาปกรรมอันนั้นก็มาถึงตัวเขาโดยผ่านทางบุตรเขาทำให้ลูกคนอื่นต้องติดยาลูกเขาก็พลอยมารับกรรมไปด้วย เป็นเรื่องของกรรมจัดสรรโดยแท้โยมเรื่องมันร้ายแรงเกินกว่าที่อาตมาคิดไว้ร้ายแรงมากโยมจะอนุญาตให้อาตมาพูดหรือเปล่ามันเป็นความลับสุดยอดของโยมเลยนะเอาละ่ะอาตมาไม่พูดดีกว่าโยมตอบอาตมามาสิว่าโยมมีอาชีพอะไรค้าขายครับ ขายอะไรช่วยบอกซิสินค้าที่ทำรายได้ให้โยมถึงร้อยล้านพันล้านนะ่ะบอกมาสิก็พวกเสื้อผ้าผมมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายต่างประเทศข้าบดีไม่ยอมพูดความจริงแต่มันไม่ตรงกับที่อาตมาตรวจสอบนะเรื่องเสื้อผ้าเป็นเพียงเครื่องแสดงให้เห็นว่าโยมมีอาชีพเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำเงินให้โยมเป็นพันล้านน่ะไม่ใช่เสือ้อผ้าเอาเถอะถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่จงรู้ไว้ซสด้วยว่าถ้าโยมไม่เลิกกรรมก็จะตามมาถึงลูกชายอีกสามคนที่กาลังเรียนอยู่ที่กรุงเทพต่อไปเ้าจะต้องติดยาตามพี่ชายเขาลูกชายอีกสามคนกำลังเรียนอยู่ที่กรุงเทพ ภรยาข้า บ, บดีร้องไห้โฮออกมาพร้อมกับสารภาพว่าใช่แล้วข้าหลวงพ่อเฮียวข้าค้าผงกินเองฝ่ายสามีเรียกชื่อภรรยาด้วยเสียงที่ดังจนเกือบจะตะคอกหล่อนฟฟมฝายน้ำตาบอกกับเขาว่าสารภาพกับท่านเธอเฮียเพื่อท่านจะช่วยเราได้ อย่าอยากเห็นลูกลูกเราตายอย่างทรมานหรือไงคำพูดของภรรยาทําให้ขหบดีคอตกไหนจะถูกภรรยาเปิดเผยความลับไหนจะห่วงอนาคตของลูกและที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือปลัวถูกฆ่าปิดปากเคยเห็นคนถูกฆ่าตายอย่างทารุณเพราะเรื่องเช่นนี้มาแล้ว โยมไม่ต้องกลัวว่าอาตมาจะเปิดเผยความลับอาตมารู้ว่ามันเป็นอันตรายสำหรับชีวิตโยมรวมทั้งของอาตมาด้วยไม่มีเหตุผลอะไรที่อาตมาจะต้องให้คนอื่นรู้เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วยังเกิดโทษอีกด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเกินกำลังอาตมาที่จะแก้ไขได้ คนที่หลงเข้าไปในวงการนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมโยมอยากเลิกไหมละ่ะอัตมามีทางช่วยได้นะเลิกไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อถ้าเลิกผมก็ต้องตายแน่ๆเขาคงไม่ปล่อยให้ผมลอยนวลอยู่หรอกครับโยมตอบอัตมามาดีกว่าว่าอยากเลิกลืมเปล่ารับรองว่าอัตมาช่วยได้แนะ่อยากครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ ผมมองไม่เห็นทางเลยเอาละถ้าโยมตั้งใจว่าจะเลิกก็ขอให้เชื่ออาตมาโยมต้องพากันมาสร้างบนบารมีที่นี่มาทั้งบ้านเลยคือเอาลูกชายอีกสามคนมาด้วยส่วนคนโตช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยเข้าไปมาช่วยสร้างวัดเหรอคะอิจฉนเต็มใจค่ะจะให้ช่วยเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ นางกิมเองรีบเสนอตัวไม่ต้องหลอกโยมเรื่องวัตถุวัดนี้เพียงพอแล้วการสร้างบุญบา ร, รมีที่อาตมาว่าเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเอาเถอะพากันมาก่าแล้วกันแล้วอาตมาจะบอกวิธีให้ต้องเร็วหน่อยนะไม่งั้นสายเกินแก้ครับผมจะพากันมาพรุ่งนี้เลยครับ ผมเห็นจะต้องลา ก, ก่อนพรุ่งนี้จะมาใหม่สองสามีภรรยากลับไปด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังเพิ่งตระหนักชัดเดี๋ยวนี้เองว่าเงินร้อยล้านพันล้านก็ช่วยดับทุกข์ใจไม่ได้กว่าแขกคนสุดท้ายจะลากลับก็ตกสองยามเศษเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขาพักผ่อนหลับนอนกัน หากจเจ้าอาวาดวัดป่ามาม่วงเพิ่งจะสงน้ำจากนั้นจึงขึ้นมายังห้องพักซึ่งอยู่ชั้นบนของกุฏิลงมือเขียนหนังสือสอบอารมณ์กรรมฐานต่อไปอีกสองชั่วโมงจนถึงเวลาตีสองจึงจำวัดคนอื่นๆเขาพักผ่อนหลับนอนกันวันละหกถึงสิบชั่วโมงแต่ท่านพระครูเจริญ น, นั้นพักผ่อนวันละสองชั่วโมงเป็นอย่างมาก